มีพวกที่ทํางานแล้วก็มีพวกที่ติดตามมาเจอขอเรียนอแต่คลวพ่อในเรื่องปัญหาในการปฏิบัติธรรมการคําถามก็มาเชิญเลยครับเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เทศนะฮะเนี่นยัไม่ต้องเทศนะเสิร์างๆถูกต้องแล้วเหมือ น, นทุกวันนี่ม <c oughs> ีเรื่องที่ถามนะเรื่องที่เราภาวนาจริงๆทุเรียไปเอาคําถามมาแก้ เอาิษปรัชญาเมตาฟิสิกส์มันแค่ฝังแน่นสนุนสนนไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่ถ้าเราภาวนาจริงๆปัญหามันไม่มากที่ว่าแม้ด้วยจิตของเราทุกต้องนะจิตเรามีคุณภาพพอที่จะเจริญปัญญาหรือเปล่า ที่สองก็จิตเราพร้อมแล้วเนี่ยเราได้เจริญรปัญญาในปรกว่าแค่นั้นเองทำถูกไหมจิตที่มันไม่ถูกมีสองงานงานหนึ่งมันออนแอหลายต่างที่เห็มีการหนึ่งจบหกบังคับตัวเองมากเกิดเจ้าสอนให้เราเดินทางสายกว้า ผมปรงคับมากไปแล้วก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจตามสิเไป ก, ก็เงื่อนไขในการดำเนชีวิตของคนที่ทาวนาประสบความสเร็จได้เร็วคนที่ทได้ชา้ามีเงื่อนไขที่แตกต่างกันมากน้อยไหมสังเกตไหชอบลรีป ร, รปล่า การอกความเพียร ม, มีสติไนหะมีสมาธิไหนะเจริญปัญญ า, นะ า, า, าไหมคารวะมุ่งไปที่สันโดกสโันโดษยินดีในสิ่งที่เราได้เมื่อเราทำเต็มที่แล้วเราพอใจมีความสุขในผลงานที่เราทําันสันโดกแต่การคารวะมุ่งไปที่มากน้อย หมายถึงมีโอกาสได้เยอะก็เาน้อยไม่ฟุกครีฟุกครีทั้งวันไ่ไม่รอดแต่ถ้าสุกคีกันเข้าวัดเลรหวพ่อรู้ก่อนไป ห, หาสุปัจจามีเคลื่อนไปเรืยไปกัน2คน3คนไปเรียน ภาวนาคนเดียวเรืยๆเนาะมันก็เหงาลางทีเราขอถอยมีคนภาวนาด้วยมีเสืนภาวนาด้วยกันนะดึงเงนไปสุดกันไปช่วงนี้ศรัทธาเรากตกเ ข, ขายังศรัทธาเขาดึงช่วงนี้มีระยะเราตกเขายัางมุ่ยีระยะก็ดึงช่วงนี้เราชักจะหลงโลกเขามีสติเขาก็ดึงช่วยกัน จะเร็วขึ้วันไหนเราพบแล้ว ส, สติสมาธิปัญญาเราดีขึ้นแล้วพบกับยาในนี้ไหนพบแล้วเสื่อมถอยก็ห่างๆถ้าหากรรยาในนี้ไม่ได้เพิ่งแค่สอนเข้าไปคนเดียวสอนถึงขนาดแบบตื่นเที่ยวไปคนเดียวเหมือนหน่อแด้ไม่ใช่หน่อกระสู้นะกร <c oughs> สู้เรามีสองงานะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีกระยาณ น, น, น้ำมันไม่ใส่คนเด็กทุกอยพวกเรายังมีหมอสงสักเ ร, รือ่องกระยาณน้ำมีอยูก็ยังดีตอนที่ได้เราต้องไม่ห่วงหรอก <c oughs> ถ้าเงืงกก่อนไขการดำเนินชีวิตของเราดีแล้วเราก็มาเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ถูก มี ส, ออ ส, สมาธิปัญญ า, า, าสังขารัริรสังขารู้วิธีรู้วิธีแล้วลงมือทาให้สมควรจะทาแค่นั้นเองได้เงนิ น, ออนมาก ห, ห, หลวงพ่อพาหลวงพ่อเนี่ตดชอบคนะเด็กๆ่อพาไปหาท่านพ่ีเจเจ็ปวดสอนอน า, านสติทำไม่เปเรื่อง กลับมาบ้านถึงเวลาเล่นก็เล่นยังเด็กถึงเวลามาเลาตาเสืนเวลามันเกิดวันปีมาคุณใหญ่ก็ซื้อผ้าเช่อตัวใหญ่ๆนะสีเหลือง <c oughs> เอามาหอมนะร้อนแทบตายเลยต้ <c oughs> องมาสวด็มนเล่นมล เล่นกับเพื่อนวิง่งไล่จับแต่เราวิ่งจับเขาได้เขาเป็นยอบจับตัวถึงคราวก็ไล่จับผก็กวเราไม่วิ่งเลยวันนู้นค <c oughs> <c oughs> ว้ามือเราได้จับตัวได้แล้วที่จับมือไม่ใช่จับตัว <c oughs> ชักโงนะ่แล้วมันคว้าท่วบตัวจับตัว <c oughs> จับแขน ก่อนเดี๋พวก็จับเดี๋ยจับท้องมันต้องเคยเจริญปัญญานะมันจะรู้ว่าตัวไม่มีการเสด็จวกใส่ไม้มแกบ้านไม้เต็นจ์ติดแฉกเรื่องดูหินอยู่หน้าบ้านเพื่องกเพื่อนไหนก่น ใจไม่ใกล้ๆฟ้าลูกหินมันไม่จริงนะไม <c oughs> ่ตกใจจิงหรอกตกใจกลัวฟ้าลูกหิงมันวิ่งใจบอกข้องเก้าที่หนึ่งรู้สึกตัวเ้าที่สองสึกเก้าที่สามหมืนเปิดสวิตช์ขึ้นมาเลยรู้สึกตัวรอบร้อมใ น, ในสว่างสงบแล้แปลกใจตัวเองความกลัวหายไปไหน ไม่รู้ว่ามันหายไปได้ยังไงที่จริงสติมันเกิดเลยถ้าเราเคยทำมา ก, ก่อนมันมาง่ายรนไหนยังไม่เคยทำา็ต้ก็พุ่งเก็อ่ะหายเกลีวเดินไปบอกก็ไฟไมไฟไมอันนี้ว่าก็นยืนดูผู้ใหญ่ก็ตกใจแต่ไม่ตกใจ <c oughs> ผลของการสุดยอดของ้ <c oughs> าพวพบกเข้าชาติได้จริงๆ ตโคนาเราเลื่ยอย้อนไปได้เยอะเราจะรู้เลยชาติไหนที่ไม่มีพระพุทธศาสนาใจมันจะวางเวงไม่ได้ชั่วนะแต่มันวางเวงมันไม่มีจุดหมายปลายทางของชีวิตไม่รู้ว่าเราอยู่เพื่ออะไรแต่ไม่ได้ทําชั่วอะไรใครก็ทําดีอะไรก็ทำทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิแล้วทำในใจลึกๆมันวางเวงมไม่มีจิตทาง ชาติไหนใด้พบก็คือได้ศาสนาท่าาบอกมีใจรู้สึกว่าชีวิตมีเป้าหมายที่ชัดเจียงวงพ้อไปเจอบลงปูดลุทธ์อยุยี่สิบเก้ั ง, ตตงแต่เจ็ดขวกเป็นย9่ก้าำแต่สมัครตัวตอนเด็กๆทำให้เป็นทำแล้วออกนอก ทำแล้วก็มันสว่างใช่ไหมใช้เหมือนใช้สปอตไลท์อะไรนี่แสงส่องไปถึงไหนก็คืไปรู้ไปเห็นไปออกางนอกเที่ยวขอางนอกทำไปานานๆไปไม่สุดไม่เห็นได้แบบแล้วก็เกิดชักกลัวไปเจอเทวดาไม่กลัวกลัวว่าไปเจอผีอไอ้ใจกอจะเคลื่มแล้วก็เปลี่ยนจังหวะไอยใจแรงขึ้นนิดนึ่งรู้สึกตัวไอ้ใจต่อไป ใหใจด้วยความรู้สึกตัวหา ใ, หใจด้วยความรู้สึกตัวตรงที่เราหายใจแล้วรู้สึกตัวนี้เราขยับมือแล้วรู้สึกตัวมังไม่ได้เริ่มมีศัสนานี่ยอย่างที่หลวงพ่อเทียนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตชิดจะได้ต้นทางก็ได้แค่ต้นถางคือทันทีที่รู้ว่าจิตชิดชิดก็ตืรู้สึกตัวและยความรู้สึกตัว ต้องเปรู้สึกตัวอยู่เยๆใช้ไม่ได้เช่นสนตะอย่างห น, นึ่งการรู้สึกตัวได้ได้ต้องรู้ธีเ่เดินตะแยงที่แรกก็ไม่เข้าใจทีเเริญตัแญงเขาไม่เข้าใ จ, วจรวรบจิตทำไมโดยครูตูนบอกให้ดูจิตไปรักษาจิตเห็นจิตเป็นไรลเป็นกองอ า, ารมณ์หาทางพิหาณแยกแยเป็นจิตหลุดจากอารมณ์จิตตั้งเม็นตัวดูอย่างนี้ ชงตัวเด็นฝึกอยู่สามเดือนในดะ้แต่เรคือเดินสอนจิตตั้งมั่นเด่นเดือดไปบอกท่านก็ดูจิตเด็นแนละ้วเนี่ยดูได้ทั้งวันเลยไม่ไม่หนีไปไหนถ้าบอกทําให้ถูกยังไม่ได้ดูจิตเนี่ยแทรกแสงจิตแท่แสงอางานง จ, จิตจะมีอาการเคลื่อนไปก็ไม่ให้เคลื่อนให้ฝึกไปเรื่อยท่านบอกว่าทําผิดบอกให้ดูจิต มันเื่ยดูดูเนี่ยไม่แต่งจิตเป็นยังไง ร, ร้ว่าเป็นเราเห็นเลเดี๋ยวจิตก็สุขเดยวจิตก็ทุกข์ดยจิตก็ดีเดียวจิตก็ร้ามุนอยู่กันอยูออาา่สีเดือส่งกันบ้านเข้าใจไหมใจสิ่งที่ทั้งสองช่วยตัวเองได้ก็รูมาเรื่อยๆั้สุดท้ายที่บอกท่าน ก็ตัวว่าเราจะลงติดแค่นี้สอนพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตอยู่ในถึงความบริสุทธิ์ในใจจิตสอนถึงประโยคน์นะ้อท่สุแล้วพบพพุธเจ้าข้าเลยอะไรคือพระพุทธเจ้าจิตนั่ยคือตัวก็ผู้รูทำลายผู้รู้ จิตกำาลจิตคขอบครพุทธ า, าจะจะจะให้ค่าสิ่ถ้าเราภนานาวันหนึจะจะจะาาเ่เราจะพุทธเจ้าอาจารย์สีเดชรักบัยี่ยมือแม่จันดี่จันดีแคกได้ยู่ชื่อเป็นน้องหล ว, ว, วตาจารมหบัววนาทีตนากุศาจารยหบัวรักบัวาดหลวงพ เห็นไหมว่าพระพุทธเจ้าแต่จิตเป็นอันเดียวกันท่านตอนน้ท่านเห็นนะว่าพระพุทธเจ้าตจิตเป็นอันเดียวกเป็นอันเดียวกันได้ยังไงพระพุทธเจ้ามีกรูนามีการตาบูนาสามวิไมกราพระพุทธเจ้า พรเจ้ามีปัญญาสามารถไ ม, มีปัญญาเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีความบริสุทธิ์สามารถบริสุทธิ์เหมือนพระพุทธเจ้าเป็นอันเดียวกันด้วยความบริสุทธิ์ก็เห็นถึงความบริสุทธิ์ของจิตแล้วนะเข้าถึงความเป็นพระพุทธเจ้าเข้าถึงเป็นดันคามเป็นดันเดียวกับพระพุทธเจ้าสิ่งเหั้นนี้ไม่ใช่ปรัช ญ, ญาไม่ใช่สิ่งที่คิดเล่นลอยแต่เป็นเป็นแท ยี่งตัดไปถึงเราจะเข้าถึงสัจจะตรงนี้ได้ข้างเห็นความจริงต้องมาเรียนรู้จากความจริงอารมณ์ทั้งหลายนะมีสองส่วนอารมณ์ที่เป็นความจริงอารมณ์ที่ไม่ใช่ความจริงอารมณ์ที่ไม่ใช่ความจริงนี่อารมณ์ทั้งย ที่เป็นความจริงที่เราต้องเรียนรู้คืออารมณ์รูปนามอารมที่เป็นความจริงสูงสุดชนิดหนเรามาเรียนรู้ว่ารมณรูปนามหรือของจริงไม่ใช่คิดอะดูออกาว่าจรงจริงกายนี้เป็นอย่างไรดูออกมาว่าจริงๆจิตนี้เป็นอย่างไรหรืองจริงดูของจริงได้จิตต้องตั้งมั่น มีสมาธิแราที่ทำถึงสอนสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาคาอถ้าจิตไม่มีสมาธิที่ถูกต้องมไม่เกิดปัญญาทำ ม, มิปัจนาไม่ได้นักปฏิบัติเกอบร้อยแล้วน้ไม่มีสมาธิชนิดนี้เมื่อ30ิปีก่อนพนการหาคนที่ได้สมาธิชนิดนี้นักตัวได้แต่วันนี้มียอ เป็นน้อยเป็นผันวิธีไปแต่งตัวแบนี้ไม่ถึงเ็นเป็น เ, เทศตามห้องประชุมบางองค์กรก็จัดชาบ้านมาหรืแควฟาวจิตใจเป็นผู้รู้ผู้เป็ผู้บทบาทจิตใจครบล้อสสำหรับที่จะรับสัมมาของจิตนในประเแต่ิดอบรมผู้เชี่ยวชาญทำสมาธิ จิตตั้งมั่นก่อนควรแก่การงานทีนี้นอมจิตชนิดนี้ไปเพื่อให้อย่เกิดยาดงทัศนะเราพวกเรายัางไม่มีนะยังไม่เห็นตัว <c oughs> มีจิตคิดไม่ใช่จิตรู้ส่วนใหญ่ยังไม่ได้นะเราะงั้นยิ่งเราคิดเท่าไหรนะ่ะเนคือเดินดท่าไหร่ก็ไม่รู้ หยุคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดบางคนมั่วนะไปตักประโยชน์สุดท้ายขัง้จริงคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้นั้นต้องต้องเริ่มคิดปฏิบัติมุ่งไปสู่กลารื่คิดคิดธรรมชาติจิตมีหน้าที่คิดตลอดคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้ในขณะที่คิดเนรู้ไม่กลับในขณะที่รู้เนี่ยไม่คิดแต่ประโยชน์สุดท้ายคือต้องอาศัยคิดเมื่ออาศัยคิดไปแล้วมันจะเกิด เกิดทุกข์เกิดกุศลนกุเกิด ค, ความหลากหลายของจิตขึ้นในขณะนั้นเราไม่คิดอความสุขเกิดขึ้นเราไม่ต้องไปคิดว่าความสุขเป็นยงไงความสุขมาอย่างไรมันแค่เห็นสะาว่ า, วาวที่จิตมีความสุขเกิดขึ้นความสุขก็จะสอนไตรลักษความสุก็จะดับให้ดุจิตที่มีความสุขก็ดับไปพร้อมๆกับความสุขเราคิดเรื่องนี้ไป เกิดความกลัาม so, ีสติเราเรียูความกลวในขณะที่เราเรียู้ความกลัวไม่ิดหรอกดของจรงเนัโดยธรรมชาติคิดไปหรไปคิดไปแล้วเกิดสุเกทุกเกกุศลกักุศลแครู้ไม่ต้องไปเคลียร์กทุกกุศลกกุศลจะเกิดแล้กดับดูจิตที่เป็นสุกจิตที่เป็นทุกจิตที่เป็นกุศลกุศลจะดับใหดู การที่เราเห็นสภาวะธรรทั้งหลายเกิดขึ้แนแล้วดับไปเกิดขึ้แนแล้วดับไปมันจะช่วยล้างความเห็นผิดก็มีสิ่งซึ่งเป็นธมตะอยู่ในตัวเราเพวกเรายังรู้สึกถึงความว่าจิตในนี้มีตัวเราอยู่คนหนึ่งรู้สึกไหมตัวเราคนนี้กับตอเด็กๆคนเดิมตัวเราคนนี้กับตอนเมื่เช้านเดิมร่มางกายเปลี่ยนไปแต่ตัวเราก็ได้มันคนเดิม ต้อเห็นข่าว่าที่จิตเกิดดับหรือที่ตัวที่รู้สึกเดดคือจิตเท่ถ้าเห็นจิตเกิดดับได้เลยไม่มีอะไรเป็นอมตระเลยสิ่ทั้งหลายเกิดระดับทั้งสิ้นรู้ความจริงว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแลดับทั้งสิ้นได้เป็นพระโสดาบันลลางความเห็นคิดว่ามีสิ่งที่เป็นตัวตนสาวว่าธรรมะอตราตัว ต, วตวนะไม่ใช่ความรู้สึกว่ามีตัวตวเนเป็นสาว แต่เป็นทิฏฐิเป็นความเห็นผิดก็ราะมีตัวตนถามหมดคนที่แปรป้ายเป็นชาวพุทธชนกันเป็นทิชฉาพิจิตเชื่อว่าพอตายแล้วจิตออกจากร่างไปเกิดใหม่ย้ำยันตรงนี้เลยเพราไม่เคยเห็นว่าจิตนั้นจะจับอยู่ทุกขณะเพราะเราเห็นจิตมันเกิดจับอยู่เรื่อยเรืจะล้างความเห็นผิดเอง การที่จะได้ลงตาเห็นธรรมเข้าถึงสัจธรรมมีทางเดียวคือเข้าไปประจักษ์เข้าไปเห็นความจริงเั้นเราจะล้างความเห็นผิดเพื่อมีตัวตนได้ตข้าไปดไูในกายนี้แหละเป็นตัวตนมีแต่เกิดและะด้วก็ดับในจิตนี้มีแต่เกิดและก็ดับเห็นซ้ําแล้วซ้ ำ, ำนนะอีกนลงตัวนี้เวันเจเดือน7จปีล้างความเห็นผิดสิภนะาริยามีเพื่อน ว, ว่า สมยัยจการทงมด เ, เิสติปัฏฐาเจ็ดปเจ็ดเจ็ดีเ็ตารหันหรือต้านาคาของเราให้ได้โสดาเกิดบุญ น, นักรายเราไม่ได้โง่กว่าคนสมัยผุทธการสมองคนเมื่อสองพันกว่าปีก่อนจะคนเพียเพ อ, อๆกันไม่โง่งไม่ฉลาดกว่าเรแต่เราฉิดมาก เรามาเห็นความจริงให้ได้วิธีจะเห็นความจริงก็คือดูถอกจากโลกของความคิดนะ้รับจิตนี้เป็นจิตรู้ทาจงจิตกระโดดออกมามื่จิตระโดดจากโลกของความจริงแล้เราจะรู้สึกกายรู้สึกใจได้แต่อย่ารู้สึกอยู่เฉยๆใเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นของมันด้วยเมื่อในความจิติดหนารู้สึกตัวจะใช้ได้แล้ว คือตัวเป็นแค่ต้นทางการปฏิบัติคือเป็นจุดตั้งต้นที่จะทำวิปัสสนาคำว่าวิปัสสนาธรรมต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ต้องนะต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจนี้รู้สึกตัวอยู่ใช้หมดาจิตให้อยูทำยากนะมากสำหรับหลกง ว่าไม่มีกิเลสกิเลสห ล, ลดทในเท่านั้นใจมีคาถามมีการปฏิบัติเชิญได้นะใจ้คำว่าจิตตั้งมันจิตตั้งมันรู้จักจิตที่ไหลไปถ้าเรารู้จักจิตที่ไหลไปเราจะรู้จักจิตที่ตั้งมั่น เรไมู่้จักจิตที่ไหลไปเคลื่อนไปลงไปเราจะไม่รู้จักจิตจิตตัางๆจิตหหไหลไปทางสวรรค์ทหกไปคิด ด, ดูลองดูออกมาเอาดูซิว่ามีกี่ชนิด่รามสังงัจิตโยมมาอยู่ที่นี่ในขณะที่จิตโยมมนอยู่ทนี่มีใืมายมีจิตเืีจิตเลื่ คจิตที่ตั้งมั่นจะทำให้รู้ใ จ, นะจรู <c oughs> <c oughs> ้ใจนะจิตมอไรเมื่อไหลไปทางตาเราก็ลืใใ้ใจรู้ใจไหลไปทางหูงก็ลู้ใจรู้ใจไหลไปคิดก็ลูลใใ้ใจรู้ใจถ้าเมื่อไหรู้ฟัวก็จิตไหลจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดขึ้นแค่นั้นเองหลวงพ่บรรยายไม่ได้ว่าจิตที่ตั้งมั่นเป็นยังไงเราต้องสัมผัสด้วยตัวเองเราจะสัมผัสด้วยตัวเองได้เมื่อรู้จิตที่ไหล จิตไหลไปแล้วเราดูทันจิตจะตั้งขึ้นหลายอารนะ์ในไปได้หลายพิจิตรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านนี้ก็คือคือนี่แหละจิตจิตมีมุทัศจิตมีมีโมหะจิตหลงจิตไหลเนี่ยจิตโมหะทั้งสิ้นเยจิตมีมุทัศจิตเนี่ยในโลกนี่บางคนที่รู้สึกตัวยากที่สุดมันมีแต่จิตที่หลงไปไหลเนี่ยจิตมีความอยากด้วย เรื่องอะไรแค่รู้เท่า น, นการปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องถามเยอะจิตมีความอยากควารู้สึกมันจะตันขึ้นกลงบบังก็หมดความรู้สึกมันจะตั น, นตัวนี้เรียกว่าตันตัวนี้จะเป็นตัวโบการานพฤติกรรมทางใจของเราควบคุมจิตใจได้แนละ้วตอนนี้ก็ใช้จิตใจที่มันคุมแล้วมาควบคุมพฤติกรรมทางายและวาจาของเการปฏิบัตินั้น เมื่ความอยากกุดขึ้นมีสติรู้ตังจะเห็นว่ามันขุดขึ้นได้เองเราไม่ได้เจตนาอยากพูดเลยใช่ไหมมันเกิดขึ้นได้เองแล้วมันก็ดับสิ่งทั้งหลายเจอแล้วดับทั้งชิ้นดูแบบนี้ยืดหยุ่จดคําศัพท์จละเห็นไมอีากแล้วไม่รู้ก็ทำง่ยอย่างเดียวคือคืออารมณ์ปริมาตร ปรามัดกั บ, บกอารม์บัญญัติโยมดูอารมณ์ปรมัดไม่เป็นไม่เป็นค่ะโยมดูตัวนี้เมื่อกี้โยมเห็นความอยากที่ปุ่ดขึ้นหที่อยากถามคช่เออนั่นเห็นไหมตัวนั้นตนั้นแหละอารมณ์ปรามัดใช ม, มันเป็นความรู้สึกแท้ๆคนไทยอยากหรือฝรั่งอยากหรือคนจีนอยากอันเดียวกันม้าอยากแนวอยากเทวดาอยากลักษณะเดียวกัน ไฟร้อนคนไทยไปถูกไฟร้อนจีนเหนไความร้อนในของจริงป็นต่จะเป็นรูปเกี่วามอย่างเหันไห <c oughs> นเพงั้นแสดงว่า อ, อารมณ์ของจิตกับอาการของจิตต่างกันหรอือเต่ากันอารมณ์แปลว่าอะไรอารมณ์แปลว่าสิ่งที่จิตไปรู้ได้ไม่ใช่อิมชั่นนะอารมณ์คือออบเจกต สิ่งที่ถูกรู้จิตคืออะไรสิ่ืคือพูกข์็รู้ว่าอรมมันเป็นนิยามสัพพะของชาว พ, พุพทธเราคนไทยเอากำว่าอารมณ์มาใช้เมื่อส้วนเพราะนั่นเดียวกับ mental object รู้สึกสไหมขนาดนี้จิตมันแน่นมันแน่น แ, นน แ, นนแน่นแข็งแข็งขึ้น ก็อะไรเขาโลภอยากปฏิบัติให้อยากก็ทุดก่อเราขอเติมที่เมื่อกี้สมองอาถามเนะี่ยที่บอกว่าจิตตั้งมั่นและเป็นกลางทันนี้ถ้าปฏิบัติเนี่ยถ้าเปปฏิบัติเท่าพรอมอาจจะสองอย่างหรือว่าให้จิตตั้งมัม่นก่อน กลางได้หลายแบบเนกลางเพราะสติได้เช่นความโปวดเกิดขึ้นเราไม่ชอบความปวดเรามีสติรู้ทันว่าไม่ชอบความปวดจะหาจหมาความไม่ชอบดับทุกความปวดระดับด้วสิ่งที่เป็นกลางในนี้กลางสติอีกงานหนึ่งกลางเพราสมาธิไม่สุขไม่ทุกข์อะไเป็นกลางนกลางของเวทนาไปดิ้นเรื่องเป็นกลางของความรู้สึก ที่เราต้องการก็คือการเรปัญญาการเรื่ปัญญานเนี่ยหมายถึงว่าจิตได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ซ้าแล้วซ้าอีกจึงเห็นว่าความจริงความสุขก็ชั่วคราวความทุก ข, ข์ก็ชั่วคราวทุกสิ่งก็ชั่วเมื่อจิตเห็นว่าทุกสิ่งเป็นของชั่วกราวไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นจิตจะเป็นกลางด้วยตัวของตัวเองพอเป็นกลางด้วยปัญญาปัญญาที่จิตทําให้จิตเป็นกลางชื่อว่าสังขารุเปเกขาญา สังขารลูเป็ขขายาเนเป็นเป็นทีน่ตัดสนายาตัวสุดท้ายแลเกือบสุดท้ายแล้ากจะนั่งนานุรงลมยาทีก่อตน ม, มัตแล้วัดขึ้นไปเกิดโสรรุยาแม่พยาโทนยานตัวนี้เกิดอันน ม, มัตเสดองเลยงั้นใช่จะว่าไปแล้วสังขารูเปกขายานเนี่ยเป็นประตูแห่งการร เรามีหน้าที่ปฏิบัติพาจิตให้เห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องจนเข้ากิดปัญญารู้แจ้งว่าสิ่งเท่าไรทั้งพวกเป็นของเข้าเทียทมแต่ก็เนี่ยความสุขกับความทุกข์ เ, เข้าเทียงกันกุศลกกุศลเข้าเทียมกันมันไม่ใช่เข้าเทียมด้วยปุญญาความดีเข้าเทียมด้วยความเป็นไจรักแตถามว่าเราเห็นว่ากุศลกกุศลเข้าเทียงกัน เ, นเราจะทําชัวช่วทําชั่วไม่ได้ เพราผลของการทำดีกับผลของการทำชั่วไม่เหมือนกันเราก็ทำดีไม่ช่วแล้วเราทำชั่วไม่ได้จริงๆหรอกเพาสติมาโดยกิเลสเกิดมาสตมนนะิมันเห็นว่ามิทำชั่วไม่ได้ถ้ามีสติอยู่จิตจะไม่ชั่วดีครับแล้วพวกเราต้องพาให้จิตข อ, องเราเองได้เรียนรู้ซ้าแล้วซ้ำอีกให้เห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปร่างกายนี้ ร่างกายที่หายเซลล์อมาแล้วก็ไปกลายเป็นร่างกายหายเซลล์ขาวร่างกายหายเซลล์เข้าก็หายกลาเป็นร่างกายไม่เสื่อมร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ทำงานเปลี่ยนแปลงเป็นความช่วคราวทั้งหมดหมจิตใจสุขจิตใจทุกร่างกายสุขร่างกายทุกข์ก็ชัว่วครับจิตใจเป็นคือส่วนหนึ่นก็ช่วคราว จิตที่รับรู้ว่ารมทางตาทางถูทางใจพวกเช่อ่อฟังสังเกตไหมตั้งใจฟั ง, ง, ง, ง, ง, ง, งหรือคพรามฟับางทีก็มองห น, านงงงง้าหรรนะรับรู้ว่าลมทางตาบางทีก็ตั้งใจฟังฟังแล้วก็เขาไปคิดแฝกเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคิดเดี๋ยวดูเนีย่ยจิตเกิดดับอยูเราเข้าดูจนเห็นเลยครับทุ่อยางเกิดดับอ ย, อย่าง เ, าเานี่เข้าเคียรเมเื่อความเปลี่ ถ้เห็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะจิตจะเข้าสู่ความเป็กลางสเนนเางุเกิดขึ้นจิตไม่ยึดมั่นเข้าไปยึดถือสุเกิดขึ้นจิตไม่ยึดมั่นปราศรัยจิตหมดความยึด ม, มั่นเมื่อจิตหมดความยึดมั่ น, มนหมดความหลงแต่ยึดสังขาระาคบหรืออนิพพานก็แจ้งขึ้นจะ <c oughs> ไม่เป็นกลางก็่แคมีความต่างสั <c oughs> เกิดความเสื่อไมไปถ้วเข้าถึงความเป็นกลาง หมดความเคลื icana, ่อนไหวมันน้ำสองทาต่อท่ออันหน่งูงกั่องเคลื่อนไหวแต่ถ้ามันเท่าเทียมกันจะไม่มีควาเคลื่อนไหวเยิดขึ้นกุศลอู้ศลสุขทุกเท่าเทียมกันจิตจะหมดควเครื่อไหแล้วจิตหมดคามเคลื่อนไหวหมดามถูแต่าจะเห็นกรมแต่งท้งทาง จิตเรามีคุณภาพแค่ไหนเราก็เห็นสภาวะรรแค่ น, นั้นอย่างวันไหนจิต ใ, ใจเราสร้าโศกโลกสร้าโศกรโลกหวยไปหมดเยวันไหนจิตใจเราราาเลยโลกก็ดูสดใสไปหมดเลยวันไหนจิตใจเราตัง้งแต่ความเป็นกลางวิจารญาโรดูราเป็นมากหรอกตบารพเป็นโรกรากปมากา่ของจริงน้นน เัต้องอมานะคิดเอาไม่ได้ <c oughs> พวกเราคิดเดยอะกว่านิจาระดงๆนะคิดเดยวกว่าดูคิดเดยอกว่ารู้ <c oughs> อันนี้เป็นความราบเรียบไม่กระเพิ่มของลัคนูปนิชฌาิอันนี้เกิดไหมเกิดต่ลัคนูปนิชฌานนี้เกิดวิปัสสนา ในนิพพาสุดเฉีบดมันเขาถึงสังขารรูปเกิดขาดอย่งตรงนี้จะเป็นรอยแยกนะพวกห น, น, น, นึ่งเก็บไปเพื่อควบคุมพอมาถึงตรงนี้นะแล้วเราดึงถึงเพื่อนพ้องหมู่สาต์ทั้งหลายเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้อย่างนี้เราทำหาทางแทบเป็นทกับใจสงสารเขาอยากให้รู้ว่าใจไม่ไปมากกวน ถ้าใจเห็นทุกเห็นโทษของวาสนาใจนี้จะเกิดมาผลมีเขารียกโพธิปูยานยานมวนเสือะ <laughs> โพธูนี้เป็นมาผลแน่นอน <laughs> อเกิดไ ด, ด้น่อช่วงขณะเดียวคือณะจิตจะข้อพนาถึงไม่เคยท้อพนาเลยเวลา น, นั้นจะท้อพนาเป็นไม่เจตานานนเล่ น, เ ล, นเล่นดูต้นไม้ดูลมพัดใบไม้ไหวอยู่ ปัญญากแกาบว่าพอเข้าตรางนี้โจวับเดียวเสร็จแล้วนกักแกะเป็นสภาวะขนาด น, นั้นเนี่ยสมาธิอัตน ม, มันติเกิดขึ้นจิตจะรวมลงที่จิตสติอัตโนมัติเกิดขึ้นสติจะลึกลงที่จิตโดยไม่มีเจตนาสมาธิเกิดขึ้นเพราโดยไม่ได้เจตานาสติเกิดขึ้นเโดยไม่ได้เจตานา เหนเฉาว่าธรรมภายในนะเกิดดับสองสามมีน้ำมีิตจิิตสภาวธรรมภายในนะเกิดับสองสาแต่สามาทีคืออะไรเกิดกับอไม่ได้คืออะไรเกิดดับไม่มีสมมติมาจากมีแต่สภาวะเลื่อนๆปหลัาจากนั้นนะถ้าจิตมัจะแจ้งสติสมาธิปัญญาบริบูรณ์สมดุล ตัวนี้มันอันตรายมากหมดเรื่อสติสมารถปัญญาเกิดขึ้นมาแต่หมดมันเนี่ยไม่มีความจงใจเรื่องปราศจากความจงใจความจงใจไม่มีศับเลี้ยเฉพาะชื่อมโนสัญญาเจตนาตัวนี้ร้ายกาจที่สุดนักปฏิบัติเนี่ยมันตายขาดมโนสัญญาเจตนาไม่ไไม่หมดจงใจไม่ได้โลบไนิดนึงก็จงใจแล้วให้ดูซะหน่อยสิ วันนี้จิตเป็นยังไงเสร็จแล้วแต่เรื้องต้นต้องจบงจากตัวการอัตโนมัตนะิหนักเพราะทุกอย่างอัตโนมัติมโนสัญญาเจตนาไม่มีมโนสัญญาเจตนานะเป็นปัใจจัยให้เกิดการจะทํากรรมของจิตให้จิตทํางานเพื่อปาศจากมโนสัญญาเจตนานะสติสมาธิปัญญานะทํางานอัตโนมัตนะิโดยไม่มีการสร้างภพใหม่เอง สี่จคนจัดผมไเกณ น, น, น์อนุภาไม่มีใครสอนหรอกนะตร ง, งนั้นจะเป็นเรียกว่าสัญญาบริสุทธ์แล้ว<ช>ไม่ไมเป็นคือใ น, ในปฏิปทานสี่ก็มีว่าเมย์ยตนาหกแ้าเกิดภัสสะเวทนาเกิดสัญญาแล้วต่อมาเป็นสัญญาจิตนาไม่ไมคำมันโนเป็นสัญญาติตนาแล้วเกิดตัณหาวิตกวิจารจะนี้ไม่มี <นะ S 1> ไม่เกิด นธรรมะนะของจริงล้นวนๆที่พระเจ้าสอนต้องดูให้เห็นดูให้เห็นะคะิดเอาไม่ได้ว่าอนะไรด้วยว่าพวกผมส่วนนี้ยังเบสิกรอดอาจารย์ไม่ใช่หรอครัก็จะบอกให้ปัญหาใหญ่ของที่นี่คืออะไรรู้ไหม ตรงไปตรงมาเลยนะก็เป็นหมอกระดัเตอร์เฉยๆความรู้ทำจม่าอย่างน้อยมากนะว่าเบสิกมันก็มีเริ่มต้นจากศีลสมาธิปัญญาแลาวคำว่าศีลนี่เราต้องบริสุทธิ์แค่ไหนนะในข้างหน้าปัญญาหือว่าศีลเป็นแค่เครื่องมือตัวหนึ่งดยการข่มจิตศีลนี่เป็นเครื่องข่มจิตนะ ไม่ให้ทำตามกิเลสสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องข่มกิเลสไม่ให้ปลอบละจิตปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องเข้าใจความจริงของกิเลสและจิตมันเป็งานที่แตกต่างกันศีลที่เรามีเนี่ยศีลห้าขอละศีลห้าขาดได้ไหมขาดเสมอแหละ <c oughs> อย่างแค่เราพูดโดยที่ไม่จำเป็นต้องพูดก็เพื่อ เ, อเจรละ สีด่างคอยมีไม่ต้องเราพูดเลยไม่จำเป็นต้องพูดเห็นไหมสีสีก็คล่องกับแป้งนะแต่ถ้ามีเหตุจะพูดแล้วไม่พูดนั่เป็นข้อวัดที่ใช้ไม่ได้ทางพระเรียกหมู่ขวขวัดหมูขววัดคือวัดของบัวหัวไม่ค่อยพูดคุณผิดธรรมชาติรักษาสีนนะสีห้าคนเพราทุกวันตื่นขึ้นมาก็ตั้งใจ ว่าวันนี้เราจะไม่ทำผิดศีลห้าตอนกางวันก็ตั้งใจอีกทีช่วงบ่ายเนี้ยเป็นต้นไปเนี้ยเราก็ไม่ทำผิดศีลห้าตอนเย็นก็ตั้งใจไว้ตอนนอนก็ตั้งใจไว้เอาให้ได้เวลาสีรอบตั้งใจแล้วคล้ายๆเปลือตัวเองนิดนึงให้รักษาศีมีศีลนียล้ยจะทำให้จิตสงบง่ายศีลเนี้มันเป็นแค่ สัตสุดท้ายแหละเมื่อสัตวจากนั้นแค่กิเลสสี น, นี่จิตเรายังอ่อนแอมากเราสู้กิเลสไม่ไหวกิเลสมีกําลังกล้ามากไม่สามารถจะสู้กิเลสได้เลยเราก็ต้องสู้ด้วยสีคือข่มใจไว้กิเลสจะสังให้ฆ่าไม่ฆ่าจะสังให้ตีไม่ตีสั่งให้ดา่าไม่ดา่าสั่งให้โกงไม่โกงในการข่มใจเขี้ยนจัแบบปัน้นเนี่ ศีลเจต้องมีตัวเจตนาวัตจะเป็นศีลอย่าสูงว่าอายุมากอายุร้อยสี่สิบปีนะเจอยีหนูสวยๆอยากเป็นชู้กับมันไม่มีปัญญาเป็นไม่ใช่ก็เป็นศีลเห็นเครื่องเพชรเนี่ยวางขายอยู่ตรงนี้ยตำรวจอยู่ตัวนี้เยอะแยะเลยยังเอาไม่ได้บอกไม่เอาตัวนี้ไม่ใช่ศีลเอาได้นะไม่อ่อตัวนี้เป็นศีล ผมใจไว้อันนี้เป็นศีลเบื้องต้นต่อตไปมันมีศีลที่สูงขึ้นไป อ, อาศัยสติรักษาจิตให้กิเลสเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสชอบกจิตมันให้ศีลเกิดเป็นอัตโนมัตศีลตันนี้เป็นกาเป็นปักขีของจิตไม่ได้ข่มนะแต่ศีลทั่วทั่วไปที่เราต้องฝึกกับนศีลที่ผมใจไม่ใต่ทำทสัจจิณณ์ศีลห้าก็หอ มีคนไปถามหลวงพ่อนอนะเขาเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเขาเลี้ยงกุ้งแต่เาขาไป็นเหล่าเลี้ยงปลานะเนี่ ย, แ, ยนะแค่จะถามธรรมะเราแนะยังโกหกเรื่อยจริงเลี้ยงกุ้งเนะี่ยเขาทําคําว่ า, าก็าต้องเลี้ยงปลาถึงเลี้ยงไว้เท่าไหร่เดือนไหนกนะ็ต้องจับปลาเป็นขาดสีก็ไม่เคยบริสุทธิ์ไม่ไ้ภาวนานได้มไหมอยู่ที่การวางใจให้ถูกนะ คุวันคิดจะฆ่าปลานะไม่ได้คิดจะฆ่าปลานะคิดจะทำอะไรคิดจะเลี้ยงปลาให้ตัวโตวนะครับนั้นศีนยังไม่ขาดนะตอนนั้นศีนไปขาดตอนที่จับปลานท่าไหร่น <c oughs> ี่เวลาที่เหลือที่ศีนยังมีอยู่นะช่วงนี้รีบเอาหนาไปเขาถามวนะ่าท่านั้นไม่บาดหรืาด บาปเนี่ยนะทาโดยที่รู้อยู่นะพวกเราถ้าทางโลกเขารู้ทาคิดทั้งที่รู้เนะี่ยบาปมากแต่ถ้ารู้ผิดชอบชั่วดีอยู่แล้วจําเป็นต้องทํา บ, บาปน้อยกว่านะของการทำถ้าเปรียบเทียบเหมือนอย่างเรารู้ว่าเหล็กที่เผาไฟร้อนๆแดงๆเป็นอันตรายคนหนึ่งรู้คนหนึ่งไม่รู้สองคนนี้เวลาจับนะมันจะไหม้มือไม่เท่า สอวคนที่รู้โทษนะทจะจับแบบระวังมากเลยคนะัะให้ไม้น้อยที่สุดเลยไอ้คนไม่รู้ปลาเต็มเหนี่ยวเลยป้าของจิตใจถ้ารู้ผิดชอบช่วยดีบาปบาปไหมบาถ้าไม่รู้ผิดชอบช่วยดีด้วย บ, บาปหนักก็เจอด้วยมีฉาดทิพิ์เอาเรื่องกำรมานนะ ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆถามกันเจ็ดวันเจ็ดีไม่จบว่าจะเป็นที่หนึ่ที่หลวพ่ออว่าอตอนที่หลวงพ่อเล็กแล้วไปไหามทำไมลักษณะของสติที่มันจะรู้ตัวเนี่ยมันจะต้องเจอป่ารมที่มันแปงาาแๆเพราะบารมีเราน้อยอารมณ์ที่แรงเนี่ยมันดูง่าย ด้านชายศีรก็เคเกิดเป็นตอนเล็กๆที่พ่อไปแลกมาจากพุทธประภัตย์ได้ไหมแล้วพี่เลี้ยงเราท่านไปี่ยวังไว้ใค่ต้นไม้แล้ท่านลูกขึ้นภาวนาบมใ น, นบรรดาวงได้ผสมวิชาวิชาตัวนี้คือชาตที่จิตเป็นตัวรู้เป็นงเ่านั้นท่านไม่มีอารมณ์ที่รุแนแรงมากระทบเลยนะท่านทําตัวนี้ให้เกิดขึ้นได้มันกลับมาแล้วท่านก็หลง เป็นเหล่ยงกันทุกตัวใช่ไหมนี่เรื่องเอโฟ ท, ที่พ่าวต่ <c oughs> แต่ได้อารมณ์แรงที่เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยอารมณ์เนี่ยนะน่าจะเปอารมณ์สะปูโทสัตถี่ถูง่ายแต่มันจับยากนะสกะปูโทสัตในโยมจับใงไหก็จับไม่ได้เพราะคือพอมันจะเห็ น, นที่นี้ก็คือมันร้อยสิบองศาไปแล้วค่ะแล้วไหนม่รู้ตกร้อยสิบองศา ทำไมจับลงขณะที่มันเกิดโทสะไม่ได้ก็ถ้าจับได้เมื่อไหร่โทสะจะดับทันทีการดูจิตเนี่ยมีการดูที่ต่อเนื่องกับปัจจุบันจะไม่ใช่ดูลงปัจจุบันแต่ดูไปเนี่ยเรียกว่าปัจจุบันขณะคือขาะนี้แหละรู้สึกได้แต่ดูจิตเนี่ยเป็นปัจจุบันสันติดูสุกเนื่ยกว่าปัจจุบันในขณะที่โทสะเกิดอยู่สติจะไม่เกิด แล้ะสติไประลึกได้เมื่อโทสะเกิดไปแล้วนั่นเป็นธรรมดาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเป็นกระแสของความ depressed แบบนี้โยมจะมีความรู้สึกว่าพอจะทันเห็นอยู่แสดงว่ามันเป็นอารมณ์ลักษณะ n a จ u r ของการเกิดไม่เหมือนโทสะเหมือ น, นกันแต่คุณโทสะด้วยกันเป็นแต่คุณโทสะมั้งแต่ตัวนั้นมันแรงจนสติแตก ไม่ทันตอนนั้นเองตรงนี้นะคะมันมีป <c oughs> ้ายบางด้านหลังตรงนี้ตรงไหนครับตรงนีน้อนสีขาวค่ะพีย่ ย, ยูด้านนี้ อีกด้านหนึ่งก็มีนะคะที่ติดมแล้ว cin ก็สะสมแล้วก็ทงว่างเลยก่จะเชาปกติที่เวลาสัปดาห์นี่กอจะเรมรู้สึกตัวมีรู้สึกว่ามันแน่นไปหมดแล้วพยายามจะทำมาต้อรู้สึกว่าที่ที่ทำอยู่ใช้ได้นะชิตเริ่ตึงน ถ้าได้ยินสียงกระทก็ให้รู้ถ้าจับอะไรกระทบมาก็ให้รู้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะตารูลจมูกเลียงกายเจ็บกระทบอารมณ์ไม่กระทบแต่ทางสรรมชาติแต่กระทบหน้าเกิดอะไรขึ้นที่จิตให้รู้อย่าไปดักรู้ที่นี่ถ้าดักรู้ที่นี่จะนิ่งไปหมดจะนิ่งไปหมดกิเลสไม่เกิด โยมเพิ่งตอนหันนะคะแถวฟังซีดีของท่านมานานแล้วะคะ่ะรู้สึกทราบซึ้งในธรรมะของหลวงพ่อนะคะแล้วก็เข้าใจค่ะอนี้เริ่มปฏิบัติก็หัดเดินจมกลมเพราะโยมเป็นคนหายเปิดอนะคะไม่ชอบนั่งนั่งแล้วจะหลับก็เดินจมเดินปฏิบัติเนบ่อยแล้วก็หลังจากกลับอิกกบอตาลีแล้วเป็นวัด น, นะคะเป็นหวัดก็เกิดความมึดตกใ่าใหลวงพ่อจะมาจะหาย ก็รับฐานยานะคะแต่ก็ยังปฏิบัติะค่ะเดินจมกอนทีนี้มีอยู่คืนหนึ่งนะคะโยมเห็นค่ะโยมเห็นร่างกายเนี่ยมันพลิกตัวนะคะเดินไปค่ะ๋ยวร่างกายมันพลิกเสร็จแล้วก็มันหายใจคลึ่นๆมองอเห็นมันหายใจคลื่นๆนะคะแล้วก็มองลงไปเห็นปอดมันเนี่ยเป็นหนองค่ะแล้วยกก็เอ เห็นมันเป็นหนองแล้วมันลุกขึ้นเดินลุกขึ้นเดินโยมก็มองมันดูแล้วก็เข้าไปห้องน้ํำพอไปห้องน้ําแล้วมันก็ไปขาออกเสียงออกแล้วก็นั่งส่วมแล้วโยมก็ไม่รู้สึกอะไรรู้สึกเป็นคนปกติอีกเอ๊ะเมื่อกี้เราเป็นอะไรฝันไปหรือเปล่าหรือว่าอะไรไม่ทราบคิดเหมือนบางทมีสมาธิพอรู้ก็เห็นอะไมันเห็นไปท่อดมีหนองรู้สึกได้แล้ว เป็นฝันไปหรือเปล่าครือที่มีจิตมันมีสมาธิมันไม่ได้จงใ่ใคแต่โยมนอนรู้สึกว่ามันไม่หลับนะคะเตือนอยู่เรื่อยทําไม่าบแต่ว่ามันไม่ห่วงมัน ม, มันเหมือนหลับแต่มันไม่ได้จิตมันมีสมาธิอะไรจิตมีสมาธิทำอะไรก็ได้แล้วโยมใช้ทํางานบ้านภาสีระเบียงหลังบ้านนะคะไม่สบายด้วยแต่ว่าอยากจะจิตสงบ สีแล้วก็ฟังเสีธงดีของหลวงพ่อนะคะก็ทาไปเรื่อยๆสามวันหมดค่ะสำเร็จหมดทั้งทั้งทั้งทั้งระเบียงนะคะออกมาสวย <c oughs> แล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยค่ะมัน <ừ> ทาไปทั้งวันทั้งคืนไม่มีความเหนื่อยเลยคะ่ะแล้วก็มีความสุขเลยเวลาทาเราทำอยู่ในสมาธิค่ะแล้วก็ฟังหลวงพ่อเทศไปเรื่อยๆนี่แสดงว่าฟังหลวงพ่อเทศแล้วมีความสุขค่ะมีความสุขจิตก็ได้สมาธิที่ทำไปได้เรื่อยๆแล้วทีทําขนมอะไรเนี้ยค่ะ มันก็มีสมาธิเกิดขึ้นนะคะโยมเคยปั้นสาคูไส้หมูเนี่ยค่ะเอามาขายการสงกรานกลามังใหญ่มากเลยนะคะก็ยังคิดว่าเอ๊ะมันจะปั้นไหวไหมถ้าเยอะเดี๋ยวเอไปลงแขกที่วัดดีกว่านะคะก็ลองปั้นดูปั้นปั้นโยมปั้นอยู่ทั้งหมดสี่ชั่วโมงครึ่งไม่ได้ขยับเคขยันไปไหนเลยปั้นจนเสร็จหมดเลยอ่ะแล้วโยมเห็นมันปั้นเห็นคนมันปั้นเออช่างอย่างนั้นมันปั้นแล้วมันเดินไปล้างมือที่เออชดางอ้นนะ ทาาี่เรามาเนี่ยต้องปลุกใจนี่แหละมันก็เดินไปเดินมาโยมก็ดูมันค่ะมันทํทาเขาเรียกอะไรนีคิดเนี่ยแหละจีตมันมีความรู้สึกตัวเพื่อนมาขันมั น, แ, น, นแยกนะเห็นกายมันทา ง, นนทงานแปลใจเป็นคนดูสบายๆเลยนะแล้วมันมีความสูงมากเลยค่ะก็มองเห็นน่นแหละลตาแปสมมติว่าเราเจ็บนะรบเราเจ็บเราตายนะด้วยอย่างนั้นแหละใจเราก็มีความเสือดร้อนไปด้วยแล้วอย่างเมื่อวานนี้ โยมเรียนหลงพโยมท้องผูกค่ะตอนเช้านะเป็นป่ายก็ท้องผูกเสร็จแล้วก็สองสามครั้งไปเข้าแล้วพอสุดท้ายท้องเดินเืเอ๊มันเหมือนเหมือนกับมีแก๊สมันจุกอยู่ในข้างในโยมก็ดูความปวดร่างกายมันปวดทำไมจิตก็ไม่ปวดกับมันด้วยก็ปล่อยมันนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็ความปวดก็หายไปนะคะแต่ลูกชายเขาบอกว่าสงสัยมา จะนิบเวอพ่อหลวงพ่อประโมทมาเขาบอกอย่างนั้นแล้ววันนี้ไม่เป็นไรเลยค่ะไม่ท้องเดินไม่อะไรสบายจิตสบดีอย่าไปจิตไปนะการสดไปเยเห็นร่างกายมันทางานดูอย่างนี้ก็พอแล้วยอมอยากจะกราบขอพระคุณหลวงพ่อซีดีของท่านมีประโยชน์มากนะคะแล้วพี่สมพรกับพี่ประทันที่อยู่แถมป้าส่งให้โยมเป็นประจำโยมก็เอามนส่งต่อเพื่อน พอแม่ด็อกเตอร์หลงก็ปีแกแก้ไขฟังรู้สึกฟังแล้ว<ม>เข้าใจอันนีมโนธอันนี้ที่เรียกว่านามรูปปริเสตญาณที่มันแยกกุใช่มันเป็นฌาน ญ, ญาณที่หนึง่งญาณที่หนึ่งถ้าไม่เริ่มจากตัวนี้นะใส่ไม่อด้ใจมาหาบัวเพื่อแยกรูปนามไม่เป็นเอ้ยแยกกายแยกใจไม่เป็นอย่ามาคุยบวดเรานะว่าเจริญปัญญานคือมันด้วยการเห็นไม่ใช่คิดว่า อเห็นเห็นเป็นรูปรูปเป็นนามไม่ใช่อันนั้นมันคิดเอาอันนั้นไม่ไม่มีปัญญาเลยอันนั้นวิตกอ่ากาจะสอนมันอย่างนั้นแต่เขาสานแล้วข้างเขาเป็นเป็นรูปแบบเป็นเป็นรูปความคิดหรือการคิดวิปัศนาปัศนะนว่าการเห็นวิแจ้งมีปัศนาเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกมีเห็นไตรลักษณ์ของรูปอย่างคิดอย่างนั้นเรีว่าบิตก ย่ไม่ได้สอนมีตกค่ะน้ามาสกแกนค่ะเห็นนะแค่หนึ่งนะเวลาแล้วบ อ, องคนอะวีเพงไว้ <c oughs> ค่อยๆเพ่งนะดึงดงความรู้สึกตัวเข้ามาเรื่อยๆดึงเข้ามาอานานาัาาดานนอานเข้ามาเรื่อยๆ้างมันนิ่งจะอดเข้าเรื่อยๆจะมีแข็ง ใจโล่งๆโก้ิเออแค่นั้ก็ตายแล้วง่าจะตายเราไปอัดเท่ไาไหร่เงีเหมือนมีล้อรถจอดยางรถจอดอย่างเนอนะปั๊มลมใส่เ้ไปเรื่อยๆแค่ปล่อยออกไปก็าหายแล้วแล้วที่ทนว่าโยมแน่นนี่ก็คงแบบเดียวกันใช่ไหมครับต้องถอนหายใจยาวๆาบางคนต้องถอนายใจแล้วมีคนต้องไปเต้นิสโกโ้โ ย, ยมเราทำยังไงไต้องถอนหายใจยาวๆ ช่วยหมใช่ลาๆหมากตานี้เล่นยากแล้วล้มเป็นด่างเอาใหม่เลิกไวยตัวนี้เอาใหมเรื่ของโยมที่ตอน้เป็นจิตทอันนี้มันมันคอางโยมเห็นนาแต่จิตมันเครียดไปจิตต้องสบายกว่านี้โยมดูต่วนี้นะมีเยอะๆในหัดดู เวลาจิตเราไปยึดในความคิดความเห็นเนี่ยเราเคยรู้ทันตัวนี้ให้มากมันจะมีความคิดความเห็นเพราะว่าเราก็ไปยึดมันจริงจังตัวนี้ถ้าตัวนี้คลายใจอยากคลายออกใจจะมีความสดขขึ้นแตใจคลายแล้วจะดูง่ายขึ้นไปดูเวลาจิตมันไปยึดในความเห็นนะ ค, คิดค่อยๆสยงเกต พอมาสักสองปีค่ะเป็นมเปลี่ยนแปลงไหมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะมากเห็นเห็นปัญหาอที่เลยตัญหาควาเยอะแล้วก็การปฏิบัติก็คิดว่ายังเป็นผู้ยังเริ่มต้นใหม่ค่ะยมมีความรู้สึกเห็นโมหะคือภาสาโมหะเยอะนะคะ แล้แลก็ยังไม่เกลียดน ะ, ะยางเกลียดนันอยู่เวลาปฏิบัติก็ยังไม่ได้นานยังบางทีเป็นคนชอบเป็นคนสั่งการอย่างไฮเปอร์แต่มาปฏิบัติแะทำมต้อง็อยู่นิ่งนะถ้านั่งนะมีนั่งนะต้นะขย่าเท้าอยู่ขย่างเล็บอยูยใได้ก็ไม่อยู่นิ่งอะก็อยากกราขอความเมตตาหลงพอ วท่ทำาทำถูกแล้วอยอมไม่ควรจะคือคือจะใช้วิธีดูลมหายใจนะคะรู้สึกว่าถูกกับตัวเองค่ะแต่ว่าตอนช่วงเมื่อสักเกือบสองอาทิตย์ที่ผ่านมายมก็ขับรถไปที่วัดจะไปวัดรือบ้านนี่จะห่างจากบัานราบเกือบสองชัวง่วโมงก็จะไปเตรียม ทำความสะอาดสวนเขมีเป็นดูแลดอกไม้แต่ยังตอนรักของพ่อเก็บองสวนสวยๆมากก็พอดีวันนั้นมีความสุขมากค่ะทับก็ออบจากบ้านแล้วก็ฟังซีดีของพ่อรถซีดีของพ่อจะอยู่ในรถตลอดเวลาล้วก็ปิดก็โดยที่ไม่ได้นั่นก็ปิดแล้วหมายถึงเปิดใหม่ก็คือต่อต่อก็ ฟังไปวันนั้นจิตใจก่อโปร่งมากแจ่มใสแล้วก็ไปสักช่วงหนึ่งคือเข้าใจลึกซึ้งทุกคำพูดที่หลวงพ่อพูดตอนนั้นเพราะว่ามีหลายๆครยทงขนาดคับวันนี้ก็คิดว่าไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ฟังตลอดบางทีจิตใจก็ปกแอยไปบ้างก็มีความรู้สึกมีอะไรเออเออคือในความสุขใจามากแล้วก็มีเหมือนบอลลูน การพุ่งพุ่งขึ้นมาก็ขับก็ขับรถต่อไปแล้วก็หายไปเสร็จล้เป็นอีกสักสองครั้งเนี่ยค่ะก็อันนี้เป็นประสบะการณ์ใหม่ที่ยังไม่เคยประสบกับตัวเองมาดีแล้วนตอนนั้นหุดแล้วขันนันแยกจิตตั้งมั่นรู้สึกตัไหมเห็นแม่กายกับจิตตัวันความสุบความทุกข์กับจิตตัวละอันกุศลกุศลกับจิตตัวละอันจิตเหยีดดับทางปรมะท่บอดเลย ทำได้ดีนะอาทิตนี้เราไม่รีบร้อนว่าเกิดบรรลุเมืไรเราเข้าวิปนะัสสน์สวดสวดมนต์ก่อนนี่จะช่วยได้แล้วดีนะสวดให้ทุกคนพู้เจ้านีพานจิต ท, ท่านนิพพานเนปะพลังงานที่ท่านทิ้งนไะว้วเราสวดมนต์เราเริกสขึ้นสขได้นะ ด้วยการถอนครับ เป็นอาจารย์ใหญ่มีชื่อเสียงต้วความรู้เยอะท่านทำอนะไรครีุ่ณเจ้าตัดสินจำไม่ได้โธทิละไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอีกคู้หนึ่งจำไม่ได้ลนะคือสุดท้ายแนละ้วพุทธเจ้าตัดสินว่าองค์นี้ไม่ได้เรื่องเลยไม่มีความรู้เลยอง์ <c oughs> ที่เรียนปริยัษ์แตกฉานสอนนะพี่ทําสอนอนะไรได้โดิองค์นี้ ท่านอนุโมทนาคือลูกศิษย์ของพระปริยักษ์เนี่ยไปดูถูกพระผู้เฒ่าผู้ชายคนเรียกทั้งหมดมาทั้งทั้งสององค์เลก่าลูกศิษย์กับพระปริยักษเรียกมาแล้วผู้ชาตั้งคําถามพระปริยักษเนี่ยตอบไม่ได้ในยทุกข้อท่านถามในภาคปฏิบัตบิตอบไม่ได้เลยภาคปฏิบัติตอบถามอะไรก็ตอบ ประโยคหนึ่งูเจ้าภาษาทูสามต่อยศาธูอีกร้านนุน่นนนผเจ้าเรียกอาย อ, <c oughs> อีกลงจำชื่อท่านไม่ได้แต่ตอาลงท่านก็ปฏิบัติใช่ไหมนัออ่นเลยปฏิบัตินั่นอายมาปฏิบัติว่าปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยอะไรเป็นปัจจุบันู รูปของจริงของจริงเนี่ยอยู่ในปัจจุบันเทนั้นแทนที่ว่าเราต้องรู้อารมณ์เป็นปัจจุบันเนี่ยเพราะอดีตนี่ยมันจบไปแล้วอนาคตมันยังไม่มีสิ่งที่มันมีจริงคือรูปนามในปัจจุบันเราคอยรู้สึกรูปนามในปัจจุบันไปเรื่อยปัจจุบันสั้นนี้เดียวในในเรื่องอวิชาปัจจุบันมันแปลงว่าปฏิเสธสม บ, าบาัติ จิตตกไปสู่ความคิดนะพลาดจากปัจจุบันพลาดจากการรู้รูปนามลงในปัจจุบันคือเราอย่าไปพึ่งคำว่าปัจจุบันเฉยๆฟังเรื่องงก็คือให้รู้รูปนามตามความเป็นจริงในปัจจุบันเนี้่ยพยมทําสมาธิมาหลายปีเหมือนกันนะคะสำหสำนัาเสร็จแล้วก็ห้าสี่ห้าสี่ห้าปีให้หลังนี่ท่านจะเอาว่า พระเซิหลุยองค์หม่ท่านมาท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนท่านก็สอนสอนอวิธีทำแบบยกมือแล้วก็เดินจงกรมแ ต, แต่ท่านก็บอกว่าถ้ า, าถ้านั่งอยู่แล้วจิตรวมให้เปลี่ยนเป็นเดินจงกรมแต่ถ้า่าเดินจงกรมแล้วจิตมันรวมก็ให้เปลี่ยนเป็นนั่งทำเสร็จ แ, แล้วเยิงก็ม า, าก็เลิก เลิกสมาธิเตอร์ทําสมาธิก็หันมาทําลยเสร็จแล้ ว, mm hmm. ลวโยมมีฟังซีดีของท่านท่านบอกอยากทิ้งสมาธิจะทําให้จิตมีกําลังโยมก็กลับไปทําสมาธิอีกเสร็จแล้วมันไม่เหมือนเดิมเสร็จ แ, แล้วบางครั้งจิตพอมันสงบแล้วท่านก็บอกว่าให้พิจารณากายท่านให้พิจารณายัางไงครับอันั่นสําหรับการติดสมาธะ ก็เข้าสมาธินิ่งนะจิตออกมาแล้วก็นิ่งอยู่นั่นแหละจะไปดูจิตดูอะไรเงี้ยดูไม่ได้แล้วมาดูกายเลยดูร่างกา ย, ยงไงยถ้าใจมันซื่อบือ้อคือสมาธิชนิดซื่อบื้อถ้าไปนั่งแล้วก็เงียบนะออกมาแล้วก็ซื่อบื้อติดออกมาอย่างเนี้ยให้คิดเลยเพื่อกระตุ้นให้จิตทํางาน คิดไปถึงอย่างร่างกายสัมผัสดูเลยผมเป็นอย่างนี้น <S <S ผมมีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้นไม่สวยไม่งามสโค ร, รกไรต่อคิดไปอย่างนี้คิด<ห>เลยคิดเพื่ออะไรเพื่อให้จิตมันเคลื่อนอไม่ให้จิตมันติดนิ่งติดเฉยอยู่พอจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ดูจิตต่อไปเลยก็เป็นอุบายยกจิตสมมตคนที่รู้สึกตัวก็ยกขึ้นมาสู่ ละคูปณิชาให้ถึงความเป็นคือใจมันซื่อบื้อรู้ตัวอ่ๆกระตุ้นให้มั น, มนทํงา น, นิ่ ง, ง, ง ม, มนนากสงบอยากให้มันนิ่งแต่ตอนที่ทำความสงบให้มันนิ่งค่ะพอมันนิ่งแล้วก็ให้พิจารณาร่างกายบางคนบอกว่า ห, หลวงพอประมุตไม่ให้ทาสมาธิอันั้นสอนพว ก, กที่ติดสมาธิซื่อบื้อรอท่านบอกไม่ให้ทิง้งไม่ใช่ไหมครไมคัไม่ให้ทิง้งค่ะไม่ให้ทิ้ง ก็บรรู้ได้ศีลสมาธิปัญญาต้องครบอะค่ะตีทิ้งสมาธิได้ไ่สมาธิมีสองงานสมาธิที่สงบอยู่ในเรารมณนเดียวไว้พักผ่อนถ้าไม่มีนะใจแห้งแล้งกันถ้าไม่มีเลยนะไปได้ได้แต่ได้อย่างแห้งแล้งได้แบบอนาถาแต่สมาธิที่ทิ้งไม่ได้เลยคือสมาธิตั้งดั้งรักขนมปริชาน้อมันจะการทัานขอถามมีคำถาม คือว่าในซีดีของท่านท่านพูดเรื่องเจริญสติวันละยี่สี่ชั่วโมองด้วยแต่ไม่ได้เฉพาะวลานอนหรือเวลาคิดผมผมก็ผมปกติครับรถวันละประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงผมเราอยากทราบว่าเราใช้เวลาขับรถทำเจริญสติหรือจะเกี่ยวกับถ้า<ต>ถ้าถ้า<ร>ถขับรถนะต้องเจริญสติชนิดที่ไม่เสี่ยงกับการที่จิตจะรวม ขับไปสบายๆเปิดซีดีฟังไปนะแต่เมืองเนี้ยขับรถแล้วเจริญสติยากมันขับรถเรียบร้อย <c oughs> ถ้าเมืองไทยเนี้ยเจริญง่ายมากเ ป, ปาดซ้ายปาดขวาเดี๋ยวก็โมโหแล้วระวังนะนะับรถนะแล้วขับรถก็ตั้งใจขับ <c oughs> ไปเปเจริญสติถ้าไม่ชํานาญเนี้ยมันพลิกไปเป็นสมาธิจิตรวม <c oughs> ม, มีคนหนึ่งในจีดรวมบนถนนเห็นไฟแดงไม่รู้ว่ามันคืออะไรชนใ้รถที่จอดเท่าหน้าชนทีเดียวห้าคันเตี่ยไม่ให้ลับรถอีกเลยถ้าอย่างนี้ถือว่าขาดสติไหมครับสติแล้วสมาธิมันครอบเอาไะมมีสมาธิมากเลยสติตามไม่ทันเ ข, ข้ามาแลครับพ่อ มาจากเพนซิลิเนียเจ้าค่ะจะมาขอต่าความก็คือหลวงพ่อที่เมื่อก่อนดูจิตไม่เป็นเลยค่ะแังนีก็เริ่มเริ่มเรียนรู้จากชีวิตจระจวันแล้วก็เร่เนี้ยเริ่มเห็นการแตกต่างก็อขอเวลานอกนิดนึ่งใช่ชเจ้าค่ะเวลาดูเนี้ยจิตมันถล่มลงไปดูให้รู้ทันว่ามันถล่มนะอย่างเมื่อกี้ที่ว่าดูจิตอะไม่ได้ดูจิตหรอกแต่เอาจิตไปดูส่งจิตไปดูอะไรกุม๊มโน่นนั่นน่ารอดนะตัวเนี้ย พวกที่ว่าดูจิตดูจิตอะเป็นแบบนี้เยอะมากเลยมันดูไม่เข้ามาถึงจิตหรอกกลายเป็นว่าเอาจิตไปดูอะไรอยู่ข้างนอกอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้เดี๋ยวอึดอัดตายเลยอย่าเวลาดูจิตอย่าจงใจดูให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยรู้เอาถ้าอยู่ๆอะไรจะดูจิตแล้วเจ้องมันจะไม่มีอะไรให้ดูเอาว่ามาแลส่ <c oughs> องโยมดีขึ้นโยแล้ว ติดค่ะก็ใช้่รูปแบบของหลวงพ่อค่ะดูทั้งชอบไม่ชอบดูความคิดหลายๆครั้งก็ไม่ทันที่จะคิดแต่ก็หลายๆครั้งก็ก็พาไปได้ค่ะแล้วก็พยายามเปตรงกลแล้วก็พยายามคิดถึงที่หลวงพ่อบอกค่ะไม่พยายามคิดแล้วค่ะให้เข้าใจในสิ่งที่คิดว่ามันไม่ได้ยุ่งยากเรายุ่งยากไปเองอือแล้วเห็นความทั้งสุขทั้งโธกะ มันทีเ่เราไปมองที่อื่นไปตั้งค่าที่อื่นนะตงนรง น, น, น, นี้ชัดขึ้นชัดขึ้นนะก็เลยดินแล้วก็ทำคนหลวงพ่อแล้โมันาด้วยนะค่ะแล้วก็จะตั้งใจปฏิ บ, ตบัติประณวัติชีวิตกค่ะิดแปดูชาพระเจ้าไปขอากค่ะครูอบาอาด้วยค่ะครูบาก็เป็นตัวอย่างคุณค่ะอดทนมากนะทำปฏิบัติ เป็นคนที่โมหะรุนแรงมากนั่งเมื่อไหร่หลับเมื่อนั้นลองเล่าไปบ้างผมก็จะพักเราเล่าสิภาวนาไงในก็เป็นคนที่มีโมหะเยอะนั่งสมาธิก็หลับแต่จงกรมก็ง่วงไยแต่ว่าอดทนเหมือนง่วงแล้วก็ฝืนเดินไปเรื่อย จิตก็ไปหาที่แปลกๆที่มันดูแล้วจิตมันจะอ่ลอลกขึ้นมาเนี่ยค่อยๆทำประพฤติมันเริ่มมีสมาธิเริ่มตั้งมัน่นเริ่มเด็กปัญญาได้มันก็ค่อยๆหามันค่อยๆ ห, หาย ก, ก็กดต่กิเลสเราเยอะก่เด เ, เราแรงขัดเกาไปเรื่อยๆมันก็ค่อยๆแล้วคุณอานะคะแล้วอย่างตอน เพิ่งจะมาเห็นจิตของตัวเองค ข, ขึ้นแจ็คขึ้นระยะหลังที่ที่เข้าใจว่าพอจะจะเป็นไปฉายให้กับตัวเองได้นะคะอย่างคนในบ้านนะคะเราจะตั้งค่าไว้ว่าคิดยังไงรู้สึกยังไงเราก็แสดงออกมาแต่คนนอกบ้านเนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบว่าต้องรักษาหน้ารักษาตารักษ า, ามารยาท ต, ตอนนี้ก็เริ่มมาพิจารณาว่าทําไมเราไปให้คาดที่อื่นทําไมทำไมทไมําไมตัวเองมองไม่เห็น พอมันมองเห็นมันตัดชึบนะคะมาจัดชึบนะคะมันไม่ได้อยู่นานค่ะมันดับต่อไปแล้วเมื่อตั้งสองเดือนนะคะก็เลยมาฟังซีรีของหลวงพ่อแผ่นที่สามสิบห้าค่ะบอกว่ามันแตกดับแตกดับแตกดับมันอยู่ในกรณีนี้หรือเปล่าคะว่ามันได้ปั๊บมันดับมันจะไม่คงที่เราก็ต้องดูมันต่อไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เราเห็นทิศถี่ของเราพอเรารู้ทันก็ดับไป อยกเรียนถามท่านนะคะว่าอย่างคนใหม่ๆที่เริ่มปฏิบัติเนี่ยอย่าเราเป็นนักเรียนเราไปเรียนเนี่ยครูเขาก็เช็คว่าเออ น, นี้ทําถูกหรือเปล่าถูกเออไม่ถูกหรือเปล่าแต่อย่างเนี้ยเราห่างไกลการแล้วใครจะมาเช็คเราว่าอันนี้เราเดินหลงไปแล้วเอาที่สร้าง ส, ออสตาร์ทใหม่อะไรอย่างเงี้ยสำหรับผู้ผู้ผู้เริ่มทํานะคะแล้วทำไปไม่ถึงไหนเนี่ยจะเอาอะไรมา จะให้ใครมาตรวจนะเราต้วตรวจตัวเราเอง <c oughs> อยงพอเราทำไปแล้วจิตใจเราดีขึ้นไหมศีลเราดีขึ้นไหมย <c oughs> อย่างเรากิเลสเคยแรงพอเราภาวนานแล้วกี่ไหนเราลดลงแต่เรามีความสุขมากขึ้นเราต้องค่อยๆเช็คตัวเองแล้วนานๆเราไปเจอครูบาอาจารย์แล้วให้ท่านช่วยเช็คอีกที เราหลงเป็นปีๆนะโดยปกติเราทำํำนะมันถูกหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงว่าเออมันจิตมันบานจิตมันหูอะไรอย่างนี้แล้วแล้วตรวมันก็เหมืนคนตาบอดหรือว่าคนพิการทางสัมผัสอะไรอย่างนี้ก็ก็ไม่ไม่รู้ทําไปจนตลอดชีวิตถ้าไม่มีเนวิเกเตอร์หรือไม่มีครูหรือว่าไปหาครูควรจะไปหาครูไหมไม่ต้องนะ เวลาจิตมันโกรธให้รู้ว่ามันโกรธจิตมันโลภให้รู้ว่ามันโลภจิตฟุ้งร้านให้รู้ว่าฟุ้งร้านจิตโหดดุให้รู้ว่าโหดดุเพาเราทําไปคงเดือนเห็นมีเกิดเพือนเอาเงินปี3ปีไอ้นั่นต้องทําผิดหรอต้องผิดใช่แล้วทีนี้จะไปหาใครหรไม่หาหรอกใครคือใครรู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆใจเราโลภก็ดูใจเราโกรธก็รู้ ใช่รู้ตันปล่อยก่อนเขากเก่อนเนาะใช่ประมาณสักวันวันที่เราตื่นอยู่เนี่ย้อเปอร์เซ็นต์นะเยกเว้นนะเวลาที่เราจับเป็นต้องคิดอย่างเราทางานที่ต้องคิดเนี่ยต้องยกเว้นเพราะว่าเจริญสติไม่ได้แต่เวลานอนหลับ เวลาที่เหลือเนะี่ยมีสตนะิจะกินข้าวจะราบน้ำจะขับถ่ายจะขับรถจะนั่งรถอนะไรคอยรู้ทันใจนบ่อยๆแข็งไปคนไหนที่หลวงพ่อชมเนี่นะเสียหมดเลยเพราะว่าอยากให้ดีเ <c oughs> ยี่ยมๆขึ้นไปต้องใจใจเย็นๆนะที่ทำอยู่นะทำสูกแล้วลนะอย่าไปรม้ไปต้องรู้ สังเกตไหมจีขณะนี้กับตะกีก็ไม่เหมือนกันตอนนี้สงบกว่าเมื่อกี้สุดไหมใช่แต่ทีนี้ที่โยมจะถามเน่ก็คืออย่างชีวิตโยมเนี่ยแต่ละวันโยมจะอยู่บอกราคคิดเยอะมากทํางานเราจะมองยังไงเพราะว่าพอโยมนึกได้อีกทีว่ามันลงก็นลงไปแล้ว24ชั่วโมงแล้วทํางานทีละ24ชั่วโมงไม่หมายว่าจะบางทีจะมานึกได้ทีโยมันนานมากนไห ต้อไปเตืนอนตัวเองไว้สินะแต่ว่าโยมจะต้องคิดเพราะว่ามันเป็นหน้าที่การงานของโยมที่โยมต้องโยมจะหยุ ด, ดมองตรงนั้นดไ<ป>ด้ยังไงไม่ไม่มีหน้าที่คิดว่าคิดแต่แต่ถึงเวลาเลรกนะเนี่ยเบรกไมได้เมื่อตอนหลวงพ่อทํางานสภาป่ามันโงนะงานนี้เต็ไมไปด้วยข้อมูลเต็ไมไปด้วยการถกเถียงประชุมทั้งวันหมดเวลาประชุมมันอยู่ในเรื่องตรวจข้อมูลเช็คข้อมูลอะไรอ่งนี้ งานเครียดงานหนักงานที่ใช้ความคิดเท่านั้นหลวงพ่อแน่ใช้วิธีเบรกตัวเองเปช่วงๆเราสักชั่วโมงหนึ่งแล้วเราจะเดินไปห้องน้ําปีหนึ่งเห็นร่างกายมันเดินใจมันเป็นคนดูยดูจิตไม่ได้แล้วมันมั่วงเป็นเวลาไปเข้าห้องน้นําะตอนเดินกลับมาเนี่ยรู้สึกตัวกลับมาเด็กตัวเองป็นช่วงๆหรือตอนเรานั่งอยู่ก็ทํางานเราลุกไปบ่อยๆไม่ดีบางบริษัทเขาไม่ให้ลุกเยอะ ที่รูเทมีวันนึงมันแจกคูปองให้สองใบไปเข้าซ่วมได้สอครั้งโหดที่สุดเลยถ้ามากกว่านั้นตัดเงินเดือนละวันนั้นไม่ให้เงินละเป็นคนไทยเครอคะแม่ตอนนี้แม่ตอนนี้จิตของโจมจะมันจะผ่อนคลายไปมากขึ้นแต่มันมีคล้ายๆว่ามันมีตัวรังตัวนนั่นแหละนั่นแหละตัวรางนั่นแหละข้ามให้ตายไป แต่ตัวรังตัวนี้มันก็ไม่ใช่ตัวเพ่งที่โยมเคยจับมันได้เมื่อหลายเดือนขอน้ำมันไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวเพ่งนะแต่มันเป็นตัวที่เราไปปกครองไว้มันอยู่ในกลุ่มตัวเพ่งตัวบังคับตัวเองอยู่ในกลุ่มบังคับตัวเองเพราะฉะนั้นที่ที่โยมเขียนจดหมายถวายการบ้านหลวงพ่อเนี่ยว่าอาคนนี้เหรอว่าจำไม่ได้ว่าคนไหนที่ที่เยอะเยอะที่ที่โยมจะมีควา นั้นนี่ก็คือตัวนี้ใช่เป็นนี่แหละเราไปไปประทองไว้หน่อยตัวอื่นแล้วก็เคลื่อนที่ได้แล้วเหลือตัวนิ่งอยู่ตัวแต่ตัวนี่นี่คือตัวนิ่งเมื่อเป็นไปบังครับจิตนะพวบกุ่มจิตจิตเนี้ยไม่เป็นธรรมชาติจิตไม่เป็นธรรมชาติโยมจะมองเห็นว่ามันไม่เป็นธรรมชาติเห็นแค่ได้ยินไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่ต้องเรียกชื่อก็ได้เรียกชื่อเป็นแค่สมมุติ ให้รู้ทันว่าอยเป็นจิตตกเป็นอย่างนี้นะแล้วก็อย่าไปเกลียดเหมือนอ๋แล้วอย่างนี้ที่ที่โยมเขียนถามไปที่บอกว่าแต่ละวันตวลาโยมมองเข้าไปเนี่ยโยมจะเห็นความตื้นตโยมแต่ความนี้เราสร้างเอาเองเราสร้างขึ้นมาเองแล้วถ้าที่มันจิตมันจะตอกเป็นเหมือนตกจิตตก ติดต่อกกระแสอันนี้เป็นธรรมชาติของคนนะคโดมันเป็นเฉพาะโยมคนนดีนยวไม่เสน่หก็เป็นเขาก็ติ่อกกระแสเหมือนกันแสดงกระแสมันมาอยู่เรื่อยๆมาเร่ทีก็ไหลาตามไปฮะแล้วแต่ว่าโยมจอมีความวรู้สึกว่าไอ้ที่จะมองเห็นชัดที่สุดคือกระแส ข, ของความดิเพรสแต่ถ้าเป็นกระแสโทรสะโยมโยมจับไม่ทันมันจะต้องเกิดก่อนแล้วโยมถึงมาเห็นตามเนี่ยโยมจะไปจะไปเกิดมั ที่เรากดเนี่ยเราพยยังควบคุม<ไ> ต, ตัวเองแต่บางทีก็ต้องคุมนะเพราะถ้ากดมานานเนี่ยปล่อยเมื่อไหร่นะ่าจะร้ายสุดยอดเลยนะคอ <laughs> าเ น, นี้ร้ายระเบดเถื่อเลย <c oughs> ค่อยๆค่อยๆใจกล้าๆค่อยปล่อยปล่อยทีละนิดปล่อยทีละยิ้มร้ยหมยปล่อยทีละยิ้มร้ายใหมออ่อยากจะเรียนถามว่า ที่เราเจริญภาวนาเนี่ยจาเป็นต้องนั่งรูปแบบนั่งนิ่งหรือว่าเดินแต่ว่าที่ทํางานทั้งวันทํางานบ้านเนี่ยเจริญภาวนาอย่างนั้นดีพอไหมคะการปฏิบัติมีเจริญสติในชีวิตประจําวันกันในรูปแบบการทําในชีวิตประจำวันรวดไปเลยถึงเป็นกําลังไม่พอแต่ไม่มีแรงนี่บางคนหลวงพ่ออย่าเพิ่งไปทําพรทําแล้วมันเครียด ที่บางคนจะสอนหอย่าเพิ่งไปทำอย่าเพ้่งไปทำสมาธิทำลดเคลียดปล่อยคราับให้เจริญสติในชีวิตประจวันจินจจตใจคล่องแคล่วชำนาญก็กลับมาทํแต่คุปปาเนี่ยพอโยมนั่งเฉยๆงเบื่อแเกินอีคาเนี่ยไม่เคยอยู่เฉยเลยอ <c oughs> าจารบอกว่าท่านนั่งทีไรหลับทุกทีเหลืท่อมไปไปอยู่ตรงไหนตรงนั้นเป็นป่า ให้หลวงพ่ออธิบายความแตกต่างระหว่างอนุสัยอาสวะกับสังโยชน์อย่าอธิบายเลยเป็นปริยัเติใช่ไหมใช่ไหมหลวงพ่อช่วยอธิบายเขาเอาที่บังทำศาสนาไปก็คือถ้าแอคชั่นนะก็ต้องมีรีแอคชั่น การกระทำหรือต้อมีผลองการกระทำหน้ากรรมกับวิบากวิบากคือิบากคือผลของการกระทำวิบาก ค, คือผลของาทำเช่น <c oughs> เราขี้บน่นวิบากเป็นบ่นไปเรื่อยๆก็มีวิบากกลายเป็นคนขี้บน่นขี้หงุดหงิดง่ายแล้วจิตพูดเคยคือคืออย่างพอไปทําไม่ดีนะ คนเขาเกลียดเราเป็นมิบากระการที่เราขี้บน่นการที่เราบ่นไปเรื่อยจนติดนิสัยชอบบ่นกลายเป็นอนุัยสัโ ย, ส, ยสังโยชนกสังโยชนี่นมันเป็นตัวตัวใจญ่นะไม่ได้พิลิ่ยใต้โมหะ เป็นประธานนะีอาสวะมีเปตัวนะ้าอาสวะอาสวะนี่เป็นตัวที่ยอมจิตมันคล้ายๆอย่างตัวนี้เราทำน้ำปก น, นะน้ำไหลไปลเราไปเช็ดน้ำไปหมดนะแล้วนะแต่ถ้าเราทำน้ำอีกนะมันจะไหลทางเดิมเร็วขึ้นกว่าเก่าอีกมันมีรอยชื้นๆของเดิมนำไปตัวอาสวะ ตัวนำร่องให้กิเลสเข้ามาหาจิตใกล้สันดาลไม่ใช่สันดาลเ น, น, ลเนตัวอุกไสเป็นความเคยใจได้ยินท่านพูดว่าจิตประพัศสอนจิตประพัดสอนจิตมันฟงใสสวา่างสวยัยแต่ไม่บริสุทธ มีสองคำนะคำว่าประทัดสอนเนี่ยคำหนึงคำว่าปริสุทธิคำว่าบริสุทธิธรรมชาติจิตของทุกคนนี่แหละโดยตัวมันเองประทัดสอนคมันของใสแต่ว่ามันมองไปคลางเปลาควกิเลสผ่านเหมือนพระจานร์สว่างเมฆมาเป็นจิตกลางเปพระจานทร์เนี่ยระทัสอนพระอาทิตย์เนี่ยประทัดสอนสว่างยนะคือตัวจิตเองของใสโดยตัวของเองเวลาที่ไม่มีกิเลส กิเลสเข้าครอบงีบางคนไปได้ยิ น, ว, รร น, น, น, นว่าธรรมชาติเดิมของจิตเราพัดสอนเลยเข้าใจผิดว่าธรรมชาติเดิมของจิตนั้นบริสุทธิ์จิตไม่บริสุทธิ์จิตของเราเชื้อคนด้วยอาสวะกิเลสเลอดเชื้อคนด้วยอนุ ส, ยสงงัยทารวิวัฒน์ตลอดเวลาไมบริสุทธิ์เหมือนน้ำใ ส, สนนำใสน้ําใสหมกน้ำํำประพัดสอนแต่จะมีเชื้อโรค แม่น้นนี้ไม่บริสุทธิ์แต่ใสใสกับบริสุทธิ์ไอ้นี่นตัวจิตผู้รู้เนีสยก็พัฒนนะสว่างนะจิตจิตเแต่ละคนจะมีแสงไม่เหมือนกนะันไมเท่ากันถ้าเป็นจิตหลวงก็ไม่ทนานมืดมื่นมัวมัวหลงคนภาวนาก็มีแสงเหมือนแสงดาวแสง ยิ่ารณานะ แ, แสงก็ฟ้าวฟังออไปด้วยทำจิตสีต่างกันสีสีนี่เป็นนิมิตเป็นนิมิตของคนที่จะใช้เจโตแต่ว่าใช้เจโตตรงตรงไม่ได้ก็เ <c oughs> ลยเลี่ยงไปใช้าจิตประจักษสุนแทเมื <c oughs> ่อเกิดนิมิตขึ้นก็เป็นสื่อเพื่อจะแปลจริงว่าจิตเป็นยังไงดูสีดำท่านพูดถ้าเจโตแท้ๆไม่ต้อง่านสีเลยคือ <c oughs> อย่างรู้จิตผู้อื่นด้วยจิตของตนงกับคำนี้เพ่เลยไม่มีคำมือเลยไม่ต้องผ่านแสงสีเสียงะอะไรก็สิ้นจิตปสอทศใกล้ๆจื่อนอนมันยังไม่เข้ามาในความคิดคืออะไร้องแลที่เก็บ <c oughs> คือต้นนั้นกิเลสยังไม่ทันจะทำงาน <c oughs> อย่างที่ยยมเล่าก็มีเนีอันนั้นเป็นนิพิจหรือตอนไม่ใช่นิิอันไหนน้เราซ้ำหนึงที่เราลอก ที่โยมเล่าถ้าพูดถึงแสงใช่ไหม <Okay. S 1> คือว่าที่พอโยมอ๋อนนั้นเป็นนิมิตเหมือนอันนั้นเป็นนิมิตที่แสงที่ ท, ที่โยมเห็นว่นาสามส่วนมารวมกันเนี่ยคะเป็นนิมิตนะ่ยโยมล่าวว่าไง สติต้องฝึกอยู่เรื่อๆนะสติเป็นธรรมที่สำคัญมากโลยนะโดยพุทศเกษตรหลวงก็้สติจำเป็นในพ่ทุสถานในการทุกเมือ่อขาดสติอย่างเดียวจิตจนากุศันทันดะีลเลยต้องพยายามมีสติแล้วการฝึกมีสติก็คือการเดินจกงกวมไม่ใช่ สติเนี่ยมีทีระสัญญาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดทิระสัญญาคือการที่จิตจําสภาวะได้แน่อย่างของคุณเนี่ยหลวงพ่แนะนําให้ไปดูตัวนี้นะเวลาปีติเกิดขึ้นเให้รู้ทันแ้วปีติเข้ามาครอบงําจิตให้รู้ทันมันเกิดปล่อยเพราะฉะนั้นะปีติเกิดเรารู้ทันปีติครอบ ง, งาจิตเรารู้ทันต่อไปโดยที่เราไม่ได้เจตนานเลยพอปีติเกิดขึ้นสติจะเกิดขึ้นเองเมืไหน่ขี้โมโห ก็ไปหานูจิตที่โมโหให้จิตมันคุ้นเคยกับสภาวะ<ม>ของความโมโหพอจิตมันโกรธขึ้นต่อไปพอจิตในโกวธ น, นีเดเนียวมันรู้ตัวสติเราเรึกเลยว่าโกรละสติเป็นตัวรู้ทางตัวระเริ่ได้จิติก็เป็นที่ว่าสัญญาเป็นอารมณ์สัญญาในตัวปิติในพระุทธเจ้าจะตัดว่าให้รู้ความประโมทแล้วมันจะเกิดปิติเกิด แต่สติเกิดสุขเกิดสมาธิรับ อ, อย่างสักครู่นี่ถ้ า, าถูกย้อมอยู่นะก็หยุดอยู่แค่นั้นแหละในโคชงนียถ้ารู้ต่างขึ้นขึ้นขึ้นไปผมว่าเจ้าค่ะเมื่อสักครู่ที่กับเรียนพ่อว่าจะปกครู่งจิตป็นปิติมันหมากับจะรหลัง อ, ออกมาแล้วมันว่คูมันครลุกิกลุกลิกอย่างนีมค่ะคือ มันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นหรือว่าเราต้องดูตัวไหนที่บอกว่ามีสติรู้ตามปกติของเราจิตมีปีติขึ้นมารู้ทันจิตไม่อยากให้ปีติเกิดขึ้นเลยหายเขาอย่างเงี้ยรู้ความไม่พอใจในปีติ <c oughs> พยายามคุมตัวเองไหมเวลาปีติมันไม่เกิเคยอะค่ะมันต้องสึกแบบไหนนะคะคือมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยอะค่ะเอาคือไหนเกิดบ่อยเอาเจอหน่อ ไปหาตัวคนไหนคี้โลกก็ดูจิตโลกคนไหนคี้โกรธก็ดูจิตโกรธคนไหนช่างคิดก็ดูจิตทุงสร้างมันมีทุกตั ว, ตวมันมีเยอะมากวควรดูจิตทุงสร้างดูจิตทุ้งซ่านตัวนี้เป็นตัวหลักเลยแล้ว อ, อย่างที่เหตุการณ์เมื่อคีดดีนะ <ๆ S 1> แ, แต่ว่าตสสามศบตามลงก็เลยไปรวบเข้าหมาไปทําได้ดีชนะ พ่อเขาเวลาตั้งสภาวะที่้มความรู้สึกว่ากับเราหายใจออกทำาจนั้นสมถิคืออะไรที่ผิดธรรมชาติไม่เป็นวิปัสสนาแน่ยถาหลองพาะว่าหลวงพูดดูลพูดถึงว่าเวลาคนตายไปแล้วเนี่ยมันเป็นรูปประมปรามานกรมหรือรูปถอดในนั้นมันก็เกิดตับของมันใช่ มาตรฐตัวจริงอยู่ที่นี่มันมันไม่ใช่แบบถาวรมั่นเองไม่ใช่วิญญาณล่องลอยแต่ว่ามันหมุนด้วยกรรมใช่ไ่มมีกรรมมีกรรมเหล่านี้โยมอยากเรียนถาะหลวงพ่อเรื่องปิติเมื่อกี้พูดปิติปิตินี่มันเกิดได้ขทุกขนาดได้ทําชั่วมีปิติด้วยอย่างอย่างโยมเนี่ยเวลานึกมันก็คือมันเย็นชําขึ้นมาในจิตในหน้าอกอืขนลุกเขาเห็นไหม ไม่มีไม่เป็นไม่แคบๆบ้าไม่ทําให้ไปสลําไปดูหรอกจำได้อย่างสตาัวคำว่านี้ตัวนี้ตัวนี้สำคัญนะ้าอ่านตัวนี้ได้สบายจิ <c oughs> จะตั้งมั่นจริงๆยังอยากทราบว่าตัวปิติเนี่ยจะทำให้เป็นอุปสรรคกับไม่ปัสสนาไมไม่เป็นปิติก็สอนวิปัสสนาได้ปิติก็ไม่เที่ยง สติก็ทนอยู่ไม่ได้ปติก็บังคับไม่ได้ใช่ค่ะอันนี้เที่ยงแรงแต่โยบแรงไปใช่เ <c oughs> คยได้ยินท่านพูดที่ธรรมศาสตร์ว่าเผอสติพูดเรื่องสติแล้วว่าเผลอถ้าถามว่าเผลอกี่ครั้งวันละกี่ครั้งแล้วบอกเผลอหลายครั้งกัเป็นของดี สติเนี่ยไม่เคยเจริญสติเลยเกิว <c oughs> ่าละครังเกิตั้งแต่ตื่นจนหลับเนะี่ไม่เคยรู้สึกตัวเนละยนี่สมัยเราเลอไปห้านาะที่รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วแป๊บเดียวมันจะเผยอีก <c oughs> เผลออีกสิบนาทีรู้สึกอีกงั้นยิ่งยิ่งเผลอสั้นลงนะยิ่งดีเป็สติในปัจจุบันเมื่อก่อนจะมา อยู่ตัวเองนะนาทีหนึ่งเนให้สึกว่าครั้งเนะ น, นีในอัดนอนนะนาทีเดียวในะห้สิบกว่าคนะ ปีอะไรนี่แหละบทไหนบทพวกนี้ดีนะดีปีสสวัสดาาิ์ครับโตชุรติดตันเลยเป็นบทที่เคยผ่ า, านกระบทสองพระเจ้ามือนส่วนเองได้ใช่ไหมได้ที่ยอมทํางานแล้วมีเสียงสวไดได้สวดได้ยอยากให้ลวงพ่อพูดถึงเรื่องความกังวลใจม<ช>ันเป็นเรื่องที่ความคิดที่มันตา่างเยันยืดไปแล้วคนจะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไม่ค่อยรู้ว่ากําลังคิดอยู่ มีสัญหาเดียวคุณไม่ได้ใส่จีวรวันนี้แค่นี้ก็ขอบพระค <ขอ S 1> ุณเยอะจะสอนต่อกันทุกวันทุกวันนะจิตมันจะไม่สอนธรรมะจิมจะรวมพระพุทธเจ้าท้ายก็หยุด แต่ท่านหยุดทิงนานๆทีท่านหยุดตั้ง3เดือน